บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุช น, นหลายสืบต่อไปวันก่อนได้พูดถึงเรื่องสังโยชน์ที่เรียกว่าปฏิฆะอันเป็นอาการของจิตที่มีการกระทบกระทั่งกันและรู้สึกไม่พอใจไม่ยินดี ความรู้สึกเหล่านี้จะมีความเข้มข้นขึ้นไปโดยลาดับพุษณาก็เรียกอาการเพราะว่าเป็นโกทะความโกรธบ้างเป็นโทสะความระทุสลายบ้างเป็นพยาบาทซึ่งเป็นเหมือนกับแผลใจที่เก็บความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ภายในใจ จะอาจจะกลายเป็นความอาฆาตการจองเวรสร้างขึ้นมาเป็นรูปของวงจรแห่งสังสารทุกข์แรงภักดันของกิเลสไปได้โดยลำดับ <c oughs> กิเลสประเภทโทสะที่ทรงเรียงไว้ลำดับของสังโยชน์นั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเรียงตามระดับจิตของพระยาพุคล วันชื่อของกิเลสจึงดูเบาเป็นแค่ปฏิฆะคือการกระทบกระทั่งทางใจแต่พึงก็ใจว่านั่นก็คือประกายไฟที่มีจุดเริ่มต้นเล็กนิดเดียวแต่ว่าพอบ้านพะเมืองได้หากเขามีเหตุปัจจัยให้ลุกไหม้ได้ไปโดยลำดับสำหรับปุถุชนเราแล้วจะเรียกอะไรก็ได้ ก, กิเลส ท, ที่เกิดขึ้นภายในใจเวลากระทบอารมณ์มาจากข้างนอกนั้นพร้อมที่จะแรงพร้อมที่จะกลางกลางแล้วก็พร้อมที่จะอ่อนๆหรือพร้อมที่จะเกิดขึ้นแล้วดับไปตปนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพทางจิตของเราในขณะรับอารมณ์นั้นๆนลจะเป็นกลุ่มของกิเลสนอกจากพระเจ้าจะทรงสอนในรู้สภาพของจิต ที่ถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสประเภทนี้และยังทรงสอนหลักที่เราเรียกว่าโยดิโสพระศิการคือการใช้ปัญญาพินิปิจนามองให้เห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ในระดับต่างๆจากคนอื่นก็ได้จากเราเองก็ได้โทษศาสตร์นั้นเป็นอาการของความวาปทุศรัย ต้าใม้มีการกำหนดอารมณ์ที่เรากระทบในแง่ที่ไม่ดีรูปไม่ดีเสียงไม่ดีกลิ่นไม่ดีรสไม่ดีสัมผัสไม่ดีแต่เราถึงความนึกคิดที่ไม่ดีและเกิดความมึนหนักขัดข้องเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นนั้นเมื่อไม่สามารถจะพากได้จะสลัดได้ก็จะเกิดความทุกขุมรุมใจ การมองเห็นโทษของกิเลสประเภทนี้ในรดับต่างๆบางครั้งเราจะเห็นเป็นรูปของสังสารวัฏเช่นการรองล่างจองผ่านระหว่างพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์ในภพชาติต่างๆที่เราศึกษาตามชาดกพบว่าพระเทวทัตมักเบียดเบียนพระโพธิสัตว์หลายชาติเลย ที่ปรากฏในเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติมีถึงห้าสิบแดชาติที่พระเทวทัตเกิดมาเพื่อจองล่างจองผลานพระโพธิสัตว์แต่เรามองย้อนในอดีตว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล้วตอบได้ว่าคราวหนึ่งสองคนนี้เกิดเป็นพ่อค้าลูกปัดด้วยกัน พ่อค้าที่ชื่อที่เป็นเทวทัศน์ในตอนหลังนั้นเป็นค่อนข้างขี่โกงมีครอบครัวอดีตเศรษฐีที่มีเหลือเฉพาะหลานกับยายหลานอยากได้ลูกปัดไม่มีสตางค์ซื้อก็าถาดมาแรกพ่อค้าโอเล็บขีดดูก็เห็นว่าเป็นทองคําแต่ต้องการจะโกงราคาก็บอกว่าเป็นถาดที่ไม่มีราคาข้างนวดอะไรแกไม่สามารถที่จะ ออกมาแลกได้โดยคิดว่าจะออกไปสยะมหนึ่งแล้วก็กลับมาแสดงท่าทีเป็นเห็นใจให้ลูกปัดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ถาดของถาดทองคาไปเมื่อพอค้าวคนเล็กไปแล้วพระโพธิสัตว์พอค้าพระโพธิสัตว์มา 2. องหลานยายหลานกรยายก็เสนอถาดนั้นอีกพอข้าพระโพธิสัตว์เป็นคนซื่อสัตว์มาตั้งแต่ต้น จึงบอกตามตรงว่าถาดนี้เป็นถาดของคําสินค้าทั้งหมดของเขาที่บรรทุกอยู่ในเกวียนเนี่ย ม, มันเทียบไม่ได้แลกไม่ได้เขาไม่มีของอะไรที่จะแลกยายก็เห็นความซื่อสัตย์สุจริตก็บอกจะแลกให้อะไรก็ได้เอาถาดไปแล้วกันเพราะข้าขอเฉพาะค่าพานะเดินทางกลับแล้วมอบสินค้าให้ทั้งหมดทั้งก่อ ง, ท, งทั้งเกวียน แล้วก็รับถาดต้องคําไปพอข้าโกงคนแรกกลับมาตามไขสื้อต้องการจะแสดงความสงสารเพื่อถาดมาก็ถูกยายแก่เจ้าของบ้านตำหนิทุ่งติงดาว่าออกมาแพนที่จะรู้สึกตัวว่าเป็นความผิดพลาดปกค ร, รองของตนเองก็เกิดโกรธพอคา้าที่เป็นพระโพธิสัตว์วิ่งไลต่ตามไปเพื่อจะแจ้งถาแต่ตามไม่ทันพระขวายล้นข้ามแม่น้าปัจเจก ก็ก้มลงหยิบดินหยิบทรายขึ้นมากรรมบวชคอยจองล้างจองผานพอค้าคนนั้นไปทุกภพทุกชาติเป็นแรงอธิษฐานที่มุ่งจองล้างจองผานฝ่ายเดียวพกค้าคนหนึ่งไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้กรูดตอบอะไรเพราะเราจะเห็นว่าทุกภพทุกชาตินั้นเป็นเรื่องของเทวทัตที่ทําพระพุทธเจ้าไม่ได้ทําอะไร ความทกข์ก็เกิดแผดเผาจิตใจของพระเทวทัตหมาทุกภพทุกชาติและความโกรธเหล่านั้นก็รุนแรงมากยิ่งขึ้นความร้าเหตุผลได้เกิดขึ้นซเราเห็นว่าแม้เราดูในประวัติศาสตร์ปัจจุบันเทวทัตก็คิดไม่มีเหตุผลแล้วก็เพิ่มความโกรธที่รุนแรง มันเริ่มจากรู้สึกน้อยใจที่ไม่มีใครทักตัวเองเมื่อคราวไปคว้าพระพุทธเจ้าที่เมืองไผ่สาลีแล้วท่านก็คิดผิดว่าการที่ไม่มีใครทักท่านก็เพราะว่าท่านไม่มีบริษัทบริวารมากๆท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจึงไปวางแผนกับพระเจ้าชาติสตรูรเพื่อให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าและพระเจ้าชาตสูเป็นพระเจ้าแผ่นดินอันนี้แสดงว่าคิดผิดทั้งคู่ การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องที่จะแย่งอำนาจอะไรจากใครได้ไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความเพียรพยายามจนจัตตรู้ของท่านผู้นั้นก็ได้เป็นเมื่อทําอะไรไม่ได้ตามใจหวังความรุนแรงก็รุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงก็ข่มจีวรโกนผมเป็นพระอยู่อย่างนี้เองขึ้นภูเขากลิ้งก้อนหินลงมาให้ทับาศาสดาตัวเอง แล้วก็มีเพื่อนพระสงฆ์อยู่อีกเป็นนั้นมากไม่จะมีความคิดรับผิดชอบอะไรจนถึงกับประกาศแยกสงฆ์ออกจากพระพุทธเจ้าประโยนบาปไปพระนมนมเนนน้อยๆซึ่งเพิ่งบวชเข้ามาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรนั่นเราจะเห็นว่าอาการทั้งหมดที่รุนแรงจะปล่อยช้างนาลาคีรีเพื่อแทงพระพุทธเจ้าก็ดีจ้างนายขมังธนูเพื่อ ให้ไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็ดีองรุนแรงแต่เป็นความรุนแรงของโทสะเกิดมาจากโลภะกับโมหะก่อนคืออยากเป็นพระพุทธเจ้ากันถ้า ต, ต้องการเป็นท่านก็นโลภะต่อไปแต่พอดีท่านก็เป็นไม่ได้ต้องเกิดโทสะปริมาณก็โทสะก็เข้มข้นขึ้นเข้มข้นขึ้น แรงมากจนเกินเหตุจนถึงก็ต้องตกนรกไปแต่เรียกว่าถูกธรณีสูบคนปัจจุบันอาจจะมองว่าเป็นการถูกประชาทันบ้างอาจจะมองว่าถูกทรายดูดบ้างดุมทะเลทรายดูดบ้างอะไรก็ตาม แต่หลักที่ผ่านการสังเกยนาของพระหารมานั้นท่านบอกว่าถูกธรณีสูลกลงไปจริงๆคือจมลงไปใต้แผ่นดินจริงๆมีคนรู้เห็นมีหลักฐาน จ, จนปัจจุบันแต่ลองสังเกตว่าคนระดับนี้ก็คือความรุนแรงของโทสะประเจาสุภปุษธะ ถึงเป็นพ่อของพระเทวทัตเองที่ถูกต้อนีสูก่ก็เพราะโทสะที่แรงมากสะสมมากพยาบาทมากบางครั้งก็อาจจะเกิดเพราะราคะนั่นนทธมนต์นั้นเกิดเพราะราคาประปทุสรายพระบุตรนาเทตรีนันทยักษ์ที่ถูกต้อนีสูก่ก็เกิดจากโทสะ นางจินจักระนาวิกาที่ใส่รายพระพุทธเจ้าตัวนางเองก็เกิดจากโทสะที่คนไปนับถือพระพุทธเจ้ากันมากทําให้อาจารย์ของนางเสื่อมลาภเสื่อมคนก็รดนับถือไปเพราะการศึกษาเพื่อเห็นโทษของโทสะท่าก็จะมองรุนแรงขนาดนี้ก็ได้มองคนได้รุนแรงขนาด ก็เราจะเห็นว่าไม่ได้เจาะ จ, จงเฉพาะพระเทวทัตแต่ว่าใครก็ตามที่มีโทวสะแรงขนาดนั้นแล้วก็ทำชั่วทาผิดอะไรก็ได้จะมีคนตกคนถูกโทนีสูบระดับเดียวกับพระเทวทัตถึงหาคนอีกสี่คนแล้วเราไปดูที่คนเหล่านั้นมันก็คือกันกิเลสเกิดขึ้นกลุ่มร่วมรมใจแรงแล้เกิด ทีนี้ตีต่างว่ามันมาเกิดที่ใจเรามีความรุนแรงระดับเดียวกันเราคงจะทำชัวว่วทาผิดเช่นเดียวกับที่คนดอดนั้นกระทำเพราะจึงมองให้เห็นโทษมองเห็นเหมือนทางที่มีค่าศึกศัตรูมีโจรซุ่มรอดักอยู่เราก็หลบไม่ไปทางนั้น เพื่อไม่ต้องเป็นอันตรายจากโจ์หรือบางครั้งก็มองกริยาอาการของคนที่กำลังโกรธดูใครก็ได้ที่เขาโกรธรุนแรงย่าในปัจจุบันนั้นอาจจะถ่ายเป็นวิดีโอมาถ่ายเป็นภาพมาแล้วมานั่งดูเราจะเห็นว่าคนปกติปกติ มันกลายเป็นคนอปกติไปทันทีทันใดกลายเป็นการกระทำแบบคนบ้าคือกลุิมสติไม่อยู่เรียกสติมันวิปลาสคือมันขาดสติหรือแม้แต่อัดเสียงฟังในขณะที่ใจเราซึงบเราฟังเสียงของเราเองก็ได้ที่ข่าวก้าวาวรุนแรงแล้วฟังเสียงคนอื่นก็ได้แต่ที่จริงแล้วปากเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ใจปกติเขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ใจมันเป็นอัิปกติขึ้นมาเพราะว่ากิเลสซึ่งเป็นอาคันตุกะไม่ใช่เจ้าเรือนไปมีทธิพลบังคับจิตใจเขาพูดรุนแรงหน้าตากริยาท่าทางน่ากลัวก็เป็นยากเป็นบานไปอะไรในขณะนั้นนั้นมีการกระทามีการพูด ึ่งเป็นการเบียดเบียนล้างพลานทั้งตนเองและคนอื่นเราไปดูความโกรธที่เกิดที่แมวที่สุนัขที่สัตว์อะไรก็ได้มันจนแสดงปฏิกิริยาเช่นเดียวกันเรื่องกิเลสจึงเป็นเรื่องสากลภาษาอื่นเ็าชนชาติอื่นเ็า อ, อาจจะเรียกอย่างไงมัก็คือเรื่องภาษา แต่ว่าโดยอาการโดยเนื้อหาที่มีการแผดเผานั้นเป็นสิ่งที่สาธารณะทั่วไปหมายความว่าถ้ามีความเข้มข้นระดับเดียวกันแล้วความรุนแรงก็ต้องเกิดขึ้นจนออกมาเป็นรูปขอ ง, ขอ ง, ข, องของอนันตริต ก, กิกมดังกล่าวเพราะ บ, บางครั้งบางคราวที่มีใครมาล่วงเกินมาก้าวรา้าวกระทำอะไรรุนแรงกับเรา ในจุดนี้เองถ้าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นพอสมควรมันจะห้ามใจตัวเองเอาไว้ได้สติจะระลึกได้ว่าคนผู้นั้นกำลังกโกรธแล้วก็กโกรธแรงหน้าตาก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีแสดงว่าจิตใจเขาไม่ดีแต่ตอนนี้เราก็พอดีอยู่ถ้ากโกรธตอบผู้กโกรธ ก็หมายความว่าเราก็เริ่มผิดปกติที่ใจก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ดา่าไม่โต้ตอบอะไรกับเขาเขาทำเขาคนเดียวแสดงว่าความกลัวเรายังไม่แรงแต่ถ้าบอกเก็ด่าวาเราด่าด้วยแล้วก็เสียงก็ดังขึ้นดังขึ้นก็รุนแรงมาเราก็รุนแรงเลยรุนแรงด้วย ก็มีการโต้อตอบมีการด่าดตอบประหารตอบปฐุสรายตอบจนถึงก็ฆ่าตอบและในสุดเป็นอะไรคือเรียกว่านวงเหนี่ยวไปสู่นรกใครหน่วงเหนียวใครใจเราก็หน่วงเหนี่ยวใจเราเขาไม่ได้เป็นคนนวงเหนี่ยวหรอกพรเขาโกรธเราไม่จําเป็นจะต้องโกรธมันเรื่องคนละใจคนละคนกัน แต่พราะเราก็ไปเอาอย่างที่เขาเป็นเมื่อก่อนแทนที่จะมีคนผิดอยู่เพียงคนเดียวกลายคนผิดเพิ่มกันอีกคนหนึ่งคือเราเพรา ะ, ะภาพเจราจนเรื่องมแมลงวันกับไข่น้ำผึ้งถ้าเราลองจินตนาการลองนึกภาพดูเนี่ยจะชุลมุนวุ่นวายมากสับสนมากและจบลงด้วยการบาดเจ็บพิกลพิการไปด้วยประการต่างๆ การตะลุมบอล ร, ระหว่างกลุ่มคนสองกลุ่มที่สร้างเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทโทสะนั้นผู้สังเกตว่ามันเรื่องไม่ใช่เรื่องคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเแต่เราก็สร้างให้เป็นเรื่องขึ้นมาแล้วคนที่รับโทษของการเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คือเราเพราะพระเจ้าจึงทรงสอนดยลักษณะว่าโลภะนั้นมีโทษน้อย แต่มันก็คลายจะโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วเพราะถ้าจำเป็นจะต้องเลือกให้มีกิเลสสองข้อเนี่ยเอาเอาโลภะยังดีกว่าเพราะว่าโทสะนั้นเวลาเขาแรงขึ้นมาเนี่ยมันแรงเกินจะจุดเราจะต้อบข่าวคราว สามีปัญญาทะเลาะ ก, กันสามีก็โกรธปัญญาก็เอาลูกคนหนึ่งไปปัญญาก็อยู่กับลูกสามีไม่ยอมกลับก็โกรธแล้วก็ฆ่าลูกแช่ตู้เย็นเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของโลภลักษณะของโทสะลักษณะของโมหะ การอยากให้สามีกลับนั้นเป็นโลภพอสามีไ่กลับก็เป็นโทสะพอโทสะก็เริ่มสับสนเริ่มมั่วภพโมหะเขาเพิ่มตามไปด้วยลูกร้องซึ่งเป็นปกติของเด็กก็เกิดโกรธในลูกซึ่งร้องแสดงว่าโกรธโดยไม่มีเหตุผล และจากความโกรธซึ่งมีอยู่ที่สา ม, มีเกิดความขับแค้นความรุนแรงก็ทำอะไรไปโดยขาดเหตุผลและในสุดคนที่ทุกข์มากที่สุดก็คือตัวเองวานการมองให้เหุโทษของโทสะแม้เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นถ้าคนอื่นทำก็ปล่อยเขาทำาก็คนเดียว ก็เด่นด่าก็ปล่อยก็ด่าเพราะการที่คนเราด่ากับไปกลับมาได้เนี่ยมันเรื่องเกิดขึ้นมาจากการด่าแล้วก็ด่าตอบถ้าคนอื่นก็ด่าใายเดียวเนี่ยก็ด่ามไม่ได้นานแล้วเขาก็ร้อนตลอดเป็นทุกข์ตลอดเราสบายตลอดเย็นตลอดนั่งดื่มน้ำแข็งเล่นๆก็ได้อ่านซื้อปิ๊มก็ได้ ก็ปล่อยก็ด่าไปแต่ที่พรเจ้าสอนในแนวเหมือนกับของรับแขกแม้เขาเอามาคำด่าเหล่านั้นก็เหมือนกับของที่เขานำมาต้อนรับแขกปัญหาว่าแขกจะรับประทานหรือไม่กินร่วมหรือไม่ก็ถ้ากินร่วมก็เราก็ต้องเป็นในที่เขาเป็น แต่เราไม่กินร่วมไม่รับประทานร่วมกับเขาเขาก็รับประทานเขาคนเดียวของนั้นก็กลายเป็นของเขาลักษณะเหล่านี้ที่จริงแล้วถ้าเรามองรูปธรรมเละเห็นได้ชัดนะเหมือนเขาโยนสิ่งสกปรกให้เราอะไรก็ได้สิ่งตสกโปรกสิ่งตสกปร ก, กได้สิ่งที่เหม็นก็ได้สิ่งที่ร้อนก็ได้สิ่งที่เป็นอันตรายก็ได้ ถ้าปัญญาวินิจฉัยตั้งแต่คนโยนตัวตโยนมานั้นไม่มีความรู้สึกเป็นมิตรก็ไม่รู้จะรับทำอะไรอะ่ะแม้แต่ยะขอคอคาดริบบินมาอย่างดีแต่ถ้าเรามองว่าคนนี้เขามีความรู้สึกไม่ดีต่อเราเนี่ยไม่แน่ข้าไหนอาจจะเป็นระเบิดก็ได้เพราะเราหยุดทิการไม่รับตมามเขาโยนนะทำไมก็โยนก็าโยนมปนเรื่องของเขา ก็ปล่อยเขาโยนไปเราไม่รับก็จบกันปัญหานสำคัญอยู่ที่เราหาเรื่องรับที้สดสดทายที่ติดตามส่งคนไปสอดแนมดูว่าเขาว่าอย่างไรเขานินทาว่าอย่างไรไห้นำมาเล่าด้วยบางทีต้องเสียงเงินเสียทองด้วยเพื่อสืบดูว่าเขาด่าว่าอย่างไรเป็นความคิดที่ หาเรื่องที่โบราณนั้นใช้คำว่าแสแล้วท่านใช้เป็นรูปธรรมที่เราเห็นได้ชัดหรือฝอยหาตะเก็บแบ่งเท้าหาเส้นเราเจ็นว่าตะเก็บที่จริงมันอยู่ใต้ฝอยแต่เราเดินผ่านไปก็จบตะเก็บก็คือตะเก็บมันก็อยู่ของมัน แหงเท้าหาเสี้นกับมอนกันคือเสี้นเนี่ยมันอยู่นิ่งๆมันอยู่อย่างที่มันอยู่เราเดินเราวัตระวังก็ไม่เป็นอะไรแต่เมื่อเราแหวงเท้าไปชนกับมันคือไม่ใช่มันมาชนเราแต่เราไปชนมันถ้าเราก็เจ็บเสี้นแกก็คงเป็นเสีน้นพรันกติธรรมเหล่านี้เป็นวิธีคิด ของคนโบราณแต่นที่จะสอนเรื่องธรรมะอธิบายสภาวะของธรรมมันไม่ใช่เรื่องพูดกันง่ายๆท่านก็เอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใช้เข้ามาสอนเพื่อคนได้ฉุกคิดว่าปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดในชีวิตเราเกิดในจิตใจเราแต่เราสงบใจใช่บ้าง โดยใช้หลักที่เรียกว่าอุปสมาอุปสมาก็คือสงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบใจของเราซึ่งก็หมายความว่าจากข้างนอกโดยนัยิาที่กราบมาแล้วก็เจิตใจระลึกรู้ทันถึงโทษถึงภัยถึงอันตรายที่ตนจะรับเพราะสิ่งนั้นๆถ้นา้าเราเป็นอย่างที่เขาเป็น โทสะเกิดที่ใจเราอย่างที่เกิดแก่พระเทวทัศ์เราก็เละเหมือนกันโทสะเกิดที่ใจเราของคนที่ต่อสู้ห้ามผ่านการจนบาดเจ็บถ้าเกิดที่เราเราก็โชคเลือดเหมือนกันโทสะที่เกิดแก่คนที่โชคต่อยอกันถ้าเกิดแก่เราเราก็คงเป็นเหมือนเขาเพราะทั้งหลายจะเห็นว่า ลักษณะของโทสะก็เกิดเร็วคลายเร็วเพราะว่าถ้าเรามีสติปิดกั้นเหมือนกับสติในเมือนก็นทำนบมันกั้นเอาไว้ยังไงก็จะให้เออล้นออกไปข้างนอกเ่า แ, แก้ปัญหาได้เฉพาะภายในปัญหาไม่เกิดแก่คนอื่นก็เกิดแก่เราบ้างฮนะแต่ก็ลดความรุนแรงลงไปเยอะ อย่งมากมันก็เป็นแค่มโนทุจิริแต่ถ้าปล่อยออกไปข้างนอกมันก็เป็นทั้งกายทุจิริเป็นทั้งวจีทุจิริแล้วก็เป็นทั้งมโนทุจิริเพาะบางอย่างนี่ยตงสอนในแนวคุมไว้ก่อนคื อ, อย้ายถึงก็ออกไปข้างนอกแต่อิรุมาโทสะมันเกิดจากการเหนียวนึกการตรึกนึกที่ท่านเรียกว่าพยาบาทวิตกได้ด้วย ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะภายในใจของมนุษย์ทุกชีวิตไม่ใช่มนุษย์ทุกชีวิตคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีโทสะธาตุมีเชื้อของความโกรธอยู่ภายในแต่ถ้าใครไม่กระทบเขาเนี่มันก็ไม่ค่อยอะไรแรงเที่ก็บอกอย่ามือไปแยรังมดแดง เราเห็นว่ามดแดงเขาอยู่เขาปกติแต่เขาเอามือไปแย่เนี่ยคือประทุษร้ายเขาก็โกรธอ่ะก็ออกมาเลยธรรมชาติของเขาหรือแม้แต่งูสัตว์เสืออะไรต่างๆคือก็ไม่ได้เจตนาอะไรที่จะไปกัดคนธรรมชาติเขาจริงๆแต่งูนั้นบางทีเราก็เดินไปเหยียบเขาก็ตกใจใช่ไหมเป็นธรรมชาติตตกใจก็กัดกัดไว้ก่อน นี่คืออะไรก็คือว่าภายในใจเขาก็มีพยาบาทธานในขณะที่มีความรักตัวถนอมตัวเองเพราะเมื่อเชื้อคือพยาบาทที่มีอยู่ภายในแม้จะไม่รับเชื่ออะไรมาจากข้างนอกหมายความไม่มีเหตุการณ์อะไรกระตุ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นกาย แตใจคนแต่และคนนั้นนอกจากจะมีพยาบาท้าตุคือเชือ้อของความพยาบาิดูแล้วก็สะสมความโกรธความไม่พอใจไว้เป็นอะไรแต่าจจะสังเกตได้ว่าสภาพเป็นร้อนสับสนอย่างในเมืองบวงในเมืองใหญ่ๆเนี่ยจิตใจคนอ่อนไหวเพราะอารมณ์มากกว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดเพราะอะไรเพราะว่า เราไม่ได้นึกแค่เราสูรไอ้นมนลพิษเล็กๆน้อยๆก็สูดไปเรื่อยๆเราดื่มน้ำไม่ค่อยสะอาดไปเรื่อยๆเตือนนิเทศหน่อ ย, อ ย, อ ย, อยสุขภาพไม่ดีเหมือนคนที่อยู่ในอากาศดีๆสมมติว่าเดินมากลางฝนด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะไม่เป็นหวัดแต่เราอาจจะจามอาจจะเป็นหวัดก็แสดงว่าภูมิทัฐทานโรคเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ภูมิต้านทานโรคคือกิเลสก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะ้นพยาบาทธาตุภายใน ใ, นใจเรามันก็มีเชื้อเข้ามาประกอบอยู่เยอะเก็บสะสมไว้ในชีวิตประจำวันแม้แต่เดินทางไปไหนมาไหนก็มีลักษณะหงุดหงิดที่เรียกว่าปฏิฆะรถติดบ้างอากาศร้อนบ้างรถแซงบ้างหลบรถ ท, ทรงรถใสอะไรแต่ไรบ้างเนี่ยแต่ละอย่างก็เกิดเป็นโทสะทเก็บ เก็บสะสมไว้ภายในใจเพราะจะต้องมีการมองเห็นโทษประจักษ์ชัดแล้วก็ไม่ตรึกนึกไม่เหนียวนึกด้วยอำนาจของยาบาัดโดยอำนาจของอารติความไม่ยินดีหรือด้วยปฏิฆะตัวงุ่นหงิดความรำคาญในชั้นนี้เพิ่งสังเกตว่านิวรณข้อที่เรียกว่ากุกุจจะเนี่ยคำว่ากุกุจจะอุทัจจะและกุกุจจะ กุนจานั้นที่จริงให้เราสังเกตมันหงุดหงิดอาการคล้ายๆกับพวกปฏิขาเนี่ยจริงก็ต่อเนื่องมาจากปฏิขานี่ครนะับคือกระทบกระทั่งใจบ่อยๆก็เกิหดหงุดหงิดให้เราสังเกตว่าท่านอยู่สงบสงบแล้วก็เด็กเล่นเสียงดังครั้งสองครั้งคงจะไม่เป็นไรแต่พอดังมากข้าใจเริ่มจระ หงุดหงิดจะรู้สึกกระทบและจะหงุดหงิดจะรำคาญซึ่งอาจจะถึงลุกออกมาดุด่าเด็กหรือไล่ตีเด็กก็ได้ก็แล้วแต่ว่าจิตใ้เรามีปัญหามากน้อยแค่ไหนเพียงใดการเจริญจิตในเรื่องเหล่านี้จึงให้ดูที่จิตได้เห็นที่จิตแต่การมองเห็นโทษนั้นก็ต้องคิดด้วยจิตของเราเอง ตัวอย่างเรื่องราวนิทานบุคคลหลักธรรมตรงจะนั้นแสดงไว้โดยปริยายประเด็นสำคัญที่จะต้องมองให้เห็นในแง่ของกรรมก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้กิเลสเหล่านี้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยก็ตามผลของความรุนแรงแห่งกิเลสที่เป็นเอเได้พูดผิดทำผิดหรือคิดผิด เป็นอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นคนได้รับด้วยตัวของเราเองแต่มันจะอยู่กับเราจะไปไหนกับเราตายด้วยกันนะนะซึ่งื่อผี่กระซับสมบัดเพื่อนผูงเพื่อนผง เ, เ, เรานั้นไม่ได้ตายด้วยกันแต่กิเลสก็ไปด้วยกันเดี๋ยวไปไหนก็ไปด้วยกันข้ามภพข้ามชาติกันเลยตราแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป